พระครูวินัยทรมัน่นฑุริทัตโตหรือหลวงปู่มัน่นฑุริทัตโตคือชื่อที่บันทึกในทางฐานานุกรมว่าพระครูวินัยทรมัน่นฑุริทัตโตเป็นพระภิกษุ ฝ, ฝ่ายวิปั ส, สนาทุระสายธรรมยุทธ์ชาวไทยเป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทยหลังจากที่อุปสมบทแล้วท่านได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคําสอนพระาศาสดายอย่างเคร่งครัดและยึดถือทุกองค์วัดด้วยจริยวัดปฏิปทาที่งดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางทุดงควัดท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่สมณะประชาชนอย่างกว้างขวางจนมีพระสงค์และคารวาดเป็นลูกศิษย์จำนวนมากแนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่าคาสอนพระป่าหรือสายพระอาจารย์มัน หลังจากท่านมรณภภาพลงในปีพุทธศักราช2492ยังคงมีพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านสืบต่อแนวปฏิบัติของท่านสืบมาโดยลูกศิษย์เรียกว่าพระกรรมฐานสายวัดป่าหรือพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ท่านได้รับการยกย่องจากผู้ที่ศรัทธาให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่าสืบมาจนปัจจุบัน พระอาจารย์มั่นพุริทัตโตมีชื่อเดิมคือมั่นแก่นแก้วท่านเกิดเมื่อวันที่20มกราคม2413ปีมะแมที่บ้านคำบงตำบลสงยางอําเภอของเจียมปัจจุบันคืออําเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายคำด้วงและนางจันแก่นแก้วและได้อุปสมบทในธรรมยุทธนิกายเมื่ออายุ23ปีในปีพุทธศักราช2436 ณวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่12มิถุนายน2436โดยมีพระอาริยกรวีหรือพระอาจารย์อ่อนเป็นพระอุปชาพระครูศรีทาชยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูประจักษ์อุบลคุณเป็นพระอนุสาวนาจารย์ก่อนหน้านี้หลวงปู่มั่นได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้15ปี นวัดบ้านคำบงและเมื่อบวชได้สองปีมิดาได้ขอร้องให้ลาศิกขาเพื่อกลับไปช่วยงานที่บ้านแต่จิตของท่านยังหวนคิดถึงร่มการสาวพัดอยู่เนืองนิดเพราะติดใจในคำสั่งของยายว่าเจ้าต้องบวชให้ยายเพราะยายก็ได้เลี้ยงเจ้ายากนักต่อมาหลวงปูเ่เสาได้เดินทุดงมาปักหลดอยู่ที่บ้านคำบงนายมั่นจึงเข้าถวายการรับใช้และมีจิตศรัทธา ในข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่เสาและได้ฝากตัวเป็นสิทธ์เพื่อติดตามเข้าเมืองอุบลครั้นอายุได้23ปีจึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุแรกบวชได้เข้าฝึกปฏิบัติธรรมในสำนักของพระครูวิเวกพุท ธ, ธกิจหรือพระอาจารย์สาวกันต์ศีโลนวัดเลียบและบวชที่วัดสีทองจังหวัดอุบลราชธานีมีพระอริยกวีหรือพระอาจารย์อ่อนเป็นพระอุปชา ภายหลังท่านได้ออกจาริกเดินทุดงติดตามหลวงปู่เสาและทุดงเดี่ยวตามสถานที่ต่างๆและไปศึกษาธรรมะจากพระครูอุบาลีคุณูปมาจาร์หรือพระอาจารย์จันทร์สิริจันโนวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครผู้เป็นอาจารย์ของท่านอีกท่านหนึ่งจึงออกจาริกไปอีกหลายที่หลายแห่งจนกระทั่งถึงที่ถ้ำสาลิกาใกล้น้ําตกเขาสาริกาจังหวัดนครนายก และท่านก็ได้บรรลุธรรมชั้นอนาคามีที่นั่นเมื่อประมาณปี2450ถึงปี2453หลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้จาริกไปทางจังหวัดลบบุรีไปพักอยู่ที่เขาพระงามบ้างท้ำสิ่งโตบ้างและต่อมาท่านได้ไปพักอยู่ที่ถ้ำสาริกาจังหวัดนครนายกนี่เองท่านได้ประสบเหตุการณ์ต่างต่างหลายประการและเป็นที่ติดใจท่านมาตลอด คือขณะที่ท่านไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับถ้ำมากกว่าหมู่บ้านอื่นท่านวานให้ชาวบ้านพาไปส่งที่ถ้ำดังกล่าวเพราะไม่รู้จักทางชาวบ้านจึงได้เล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับถ้ำแห่งนั้นให้ท่านฟังพร้อมกับนิมนต์ให้ท่านเลิกล้มความตั้งใจที่จะไปยังถ้ำนั้นเสียแต่ท่านบอกว่าท่านไม่กลัวท่านขอทดลองพักดูก่อน ขณะที่พักที่ถ้ำสาริกาแห่งนี้ในระยะเดือนแรกๆท่านรู้สึกปกติดีจิตใจสงบไม่มีอะไรพลุกพล่านพอดีคืนต่ อ, ตอมาท่านรู้สึกว่าโรคเจ็บท้องที่เคยเป็นประจำชักกำเริบและมีอาการรุนแรงขึ้นตามลำดับแต่ด้วยอาศัยด้วยเหตุว่าท่านได้บำเพ็ญบารมีก็คือกำลังใจในการปฏิบัติที่สั่งสมมาในพระบวรพุทธศาสนาท่านจึงตัดสินใจออกไปนั่งสมาธิ พิจารณาธรรมแยกธาตุขันธ์เจริญอสุภกรรมฐานจนกระทั่งจิตเกิดความอัศจรรย์สามวันสามคืนแม้กระทั่งเม็ดทรายพอจิตของท่านอิ่มตัวจากการประพฤติธปฏิบัติได้เกิดนิมิตลูกสุนักปรี่เข้าไปดูดนมแม่สุนัขท่านจึงได้เกิดความสงสัยว่าในการพิจารณาขั้นนี้ที่จิตรวมไปในการพิจารณาแล้วไม่น่าจะมีนิมิตแล้วเพราะนิมิต จะเกิดจากการปฏิบัติสมาธิที่ยังไม่เป็นวสีหรือยังไม่ชำนิชำนาญ น, นั่นเองเมื่อท่านเกิดความสงสัยจึงได้พิจารณาจนได้ความว่าลูกสุนัขที่ได้กระทําการดูดนมแม่หาใช่ใครที่ไหนแต่เป็นตัวของท่านเองที่สวยอัตภาพมาตลอด500ชาติจึงได้เกิดความสลดสังเวทใจและได้นำสิ่งที่ได้พบได้เห็นมาพิจารณารมในข้อที่ว่า กายทุกขังอริยสัจจังคือว่าพิจารณากายเป็นทุกข์ไม่ทำให้เกิดความสุขให้เราแต่ต่อมาทำให้เกิดความรู้สึกกังวลจึงใช้ยานตรวจดูเกิดพบว่าท่านเคยปรัชนาพุทธภูมิจึงค้นลงไปอีกว่าปรัถนาตอนไหนพอเห็นว่าปรัถนาเมื่อสมัยพระาศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้าจึงเห็นว่าเป็นการเนิ่นช้าท่านเล่าอีกว่า ถอนความปรารถนานั้นมุ่งมั่นพนทุก์ในปัจจุบันชาติจากนั้นเกิดเหตุในนิมิตว่ามียักษ์ตนหนึ่งจะเข้ามาทําร้ายแต่ไม่สามารถทาร้ายท่านได้ยักษ์จึงได้ยอมแพ้และได้เนรมิตกายกลับมาเป็นเท พ, พบุตรและกล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในการเวลาต่อมาเมื่อจิตของท่านรวมเข้าด้วยกันจึงเห็นโลก ทั้งทางราบเรียบเตียนโล่งเสมอด้วยลักษณะทางสิ้นภายในจิตต่อมาท่านขึ้นไปที่ภาคเหนือเพื่อจำพรรษาที่วัดเจดีหลวงวรวิหารได้หนึ่งพรรษาท่านก็ได้รับตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงเป็นพระครูวินัยทรและพระอุปชาท่านได้เป็นพระอุปชาให้หลวงตาปลัดเกตเพียงองค์เดียวเท่านั้นขณะนั้นท่านจึงจําใจรับตําแหน่งเพราะเห็นแก่ท่านเจ้าคุณอุบาลีผู้นิมนต์ ขณะที่กําลังอ า, าพาธเป็นโรคมะเร็งที่กระดูกตรงขาแต่ต่อมาท่านจึงล้มเลิกความตั้งใจที่จะเป็นเจ้าอาวาสโดยท่านรำพึงในใจว่าหากเรายังรับตําแหน่งอยู่ต่อไปลาบสการะอาจจะฆ่าการปฏิบัติของเราอันเป็นเหตุแห่งการฆ่าการประพฤติปฏิบัติก็เป็นได้ท่านจึงได้สละตําแหน่งหนีทุดงเข้าป่าอาศัยอยู่ตามดอยมูเซอร์ถ้าเชียงดาวถ้าพวง แล้วออกไปพำนักตามที่วิเวกต่างๆในเขตภาคเหนือหลายแห่งเพื่อสงเคราะห์สาธุชนในพื้นที่นั้นๆนานถึง11อดปีและสงเคราะห์ อ, อดีตคู่บำเพ็ญบุญในอดีตชาติของท่านชื่อแม่บุญปันที่บ้านแม่กอยตําบลกลางเวียงอําเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันวัดป่าแม่กอยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าพระอาจารย์มัน ในปีพศ2478ท่านบรรลุธรรมชั้นสูงสุดที่ถ้ำดอกคาตำบล น, น้ำแพร่อำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นท่านได้ทุดงไปยังดอยน้ำโมใกล้กับดอยแม่ปังท่านได้พูดกับลูกศิษย์ของท่านคือหลวงปู่ขาวอนันลโยท่านพูดว่าผมหมดงานที่จะทำแล้วก็อยู่สารกระบุงตะกระ้าพอช่วยเหลือพวกท่านและลูกศิษย์ลูกหาได้บ้างเท่านั้น ท่านได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้บรรลุธรรมสูงสุดเป็นจํานวนมากต่อมาพระธรรมเจดีหรือหลวงปู่จูม้มพันธุโลเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรก็ได้นิมนต์ท่านให้กลับไปสั่งสอนลูกศิษย์ทางภาคอีสานโดยท่านได้อาศัยรถไฟสถานีเชียงใหม่ไปลงที่จังหวัดนครราชสีมาและพำนักต่อที่วัดสารวันแล้วลงจําพรรษาที่วัดป่าบ้านนามนต์ตำบลหนองโขบ อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งปัจจุบันอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณพอพระภิกษุเข้ามาอยู่ศึกษากับท่านมากขึ้นท่านจึงดำริว่าอยากจะย้ายไปจําพรรษาที่วัดป่าหนองผือตําบลนาใ น, านาอำเภอพนานานิคมจังหวัดสกลนครพอเข้ามาลงหลักปักฐานที่วัดป่าบ้านหนองผือเรียบร้อยแล้วท่านได้ทุ่มเทสอนอุบายการหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งทั้งปวง แก่ลูกศิษย์ลูกหาโดยอุบายทางตรงและทางอ้อมและไม่ให้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพระบิดาพระกรรมฐานแห่งยุคตำนานชีวิตของท่านถูกกล่าวขานไม่รู้จบเป็นที่ประจักษ์แก่ศิษย์ผู้ใกล้ชิดถึงยานความรู้ของหลวงปู่มั่นอย่างกว้างขวางและแม่นยาในทุกๆด้านหาผู้เสมอเหมือนได้ยากยิ่งท่านสำเร็จปฏิสัมพนธทานุศาสตร์อย่างนั่นก็คือ 1. อัตาปฏิสัมพิทาหรือแตกฉันในอัตสอธรรมปฏิสัมพิทาหรือแตกฉันในธรรม 3. นิรุตติ ป, ปฏิสัมพิทาหรือแตกฉันในภาษา 4. ปฏิพานปฏิสัมพิทาหรือแตกฉานในปฏิพานโดยปฏิปทาที่ท่านยึดมั่นตลอดชีวิตนั่นก็คือการทุดงซึ่งทุดงขวัตข้อสําคัญที่ท่านสามารถยึดมั่นมาตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิต มีอยู่7ประการก็คือ 1. บางสุกุลิกังทุดงนั่นก็คือการนุ่งห่มผ้าบางสุกุล 2. ปินทปาติกังคธทุดงนั่นก็คือถือพิกขาจารวัดเที่ยวบินทบาทมาฉันเป็นนิด 3. เอกปฏิกังคธทุดงนั่นก็คือการฉันในบาทใช้ภาชนะใบเดียวเป็นนิด 4. เอกสักกังคธทุดงหรือถือฉันหนเดียวเป็นนิด 5. ขลุปัจชาพัตติกังคทุดงถือลงมือฉันแล้วไม่ยอมรับเพิ่ม 6. เตจีวริตังคทุดงคือการใช้ผ้าตรายจีวรนสามผืน 7. อารันยิกังคะถือละเว้นกันอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านหลวงปู่มั่นุริทัตโตทานชานฉลาดเชี่ยวชาญการดักใจการทรมานกิเลส ข, ของบุคคลต่างๆได้เป็นเลิศและมียันอย่างรู้จิตใจผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วทาให้ลูกศิษย์ทั้งหลายของท่าน ต่างเกรงกลัวและสำรวมในการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดท่านจะเน้นให้ลูกศิษย์ถือสันและเล ข, ขธรรมเป็นเครื่องดำเนินอยู่เสมอไม่ว่าจะสนทนาปราศัยอะไรจะไม่ห่างจากสันและเล ข, ขธรรมสิบประการเลยซึ่งประกอบไปด้วยอป ป, ปิจช ะ, ชะตาความมักน้อยสันตุ ต, ตทิตาความสันโดษอสังคณิกาความไม่คลุกคลีมั่วสูมวิเวกตาความสงัดวิเวกวิริยารัมภะ ความเพียรศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นวิมุตติยานทัศนะความรู้เห็นอันแจ้งชัดในความหลุดพ้นท่านพ่อเฟื่องโชติโกซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นอีกองหนึ่งที่ได้ไปศึกษาข้อวัดปฏิบัติจากหลวงปู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือท่านเล่าให้ฟังว่าการใช้ภาษานั้นพระอาจารย์มั่นนั้นแตกฉานมากสามารถเทศคาว่านโมเพียงคาเดียวได้เป็นเดือนๆือน ยิ่งคำว่ามหาท่านก็เทศสนุกมากครั้งหนึ่งมีพระสององค์จากกรุงเทพไปหาท่านปรากฏว่าพระสององค์มีความรู้แตกฉานในพระคำพีหนังสือวิสุทธิมัชท่านพระอาจารย์มั่นก็สอนว่าวิสุทธิมัชนั้นมีอะไรมีศีล น, นิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศแล้วนิเทศนี้คืออะไรนิเทศก็คือนิทานเป็นนิทานเรื่องศีลสมาธิปัญญา ไม่ใช่ความจริงของศีลสมาธิปัญญาหรอกถ้าต้องการรู้ความจริงต้องปฏิบัติให้มีขึ้นในกายในวาจาและในใจของตนท่านพระอาจารย์มั่นมีความละเอียดมากในการสอนลูกศิษย์เวลาพระองค์ไหนป่วยแล้วขอยาท่านจะบอกว่านี่จะเอาอะไรเป็นสาระที่พึ่งเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือเอายาเป็นที่พึ่งถือเอาศาสนาหรือศาสยากันแน่แต่ถ้าองค์ไหนป่วยแล้วไม่ยอมฉันยา ท่านกติเตียนอีกว่ายามีททำไมไม่ยอมฉันทำไมทําตัวเป็นคนเลี้ยงยากฟังดูแล้วดูเหมือนลูกศิษย์ต้องโดนทั้งขึ้นทั้งล่องแต่ความหมายของท่านคือขอปราบทิฏฐิของลูกศิษย์ในเรื่องนี้เพราะความดีไม่ได้อยู่กับการฉันยาหรือไม่ฉันยาแต่อยู่กับการใช้ปัญญาพิจารณาทุกขั้นตอนต่างหากสุบินนิมิตของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นเรื่องเล่าของหลวงปู่มั่นเกี่ยวกับสุบินและนิมิตต่าง ในสมาธิที่ท่านเห็นซึ่งได้ความเพลิดเพลินที่แฝงธรรมอยู่ด้วยณที่วัดเรยบเมืองอุบลหลวงปู่มั่นได้เพียรปฏิบัติภาวนามาอย่างไม่ลดละการดําเนินจิตของท่านมีความก้าวหน้ามาโดยลําดับมีนินมิต ท, ที่น่าสนใจสองครั้งครั้งแรกหลวงปู่เล่าว่าคืนหนึ่งเราได้หลับไปแล้วแต่การหลับของเราขณะนั้นเหมือนจะตื่นเพราะเราต้องกําหนดจิตให้มีสติไว้เสมอท่านรู้สึกว่าฝันไป ว่าท่านเดินออกจากบ้านเข้าสู่ป่าที่รกชัดพบต้นไม้ใหญ่ที่ชื่อต้นชาติถูกค้นล้มอยู่กับพื้นกิ่งก้านผุพังแล้วท่านก็ขึ้นไปยืนอยู่บนขอนของต้นชาติมองไปข้างหน้าเห็นทุ่งกว้างท่านใดก็มีม้าขาวมาหยุดอยู่ใกล้ๆท่านท่านก็เลยต้องขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังมา้าแล้วม้าก็วิ่งผ่านทุ่งไปจนสุดพบตู้พระไตรปิฎกตั้งประงานอยู่ท่านไม่ได้เปิดตู้ดูแล้วรู้สึกตื่นตัว ท่านได้ทบทวนเรื่องที่ฝันเกิดความรู้สึกมั่นใจในการปฏิบัติภาวนาของท่านภายหลังท่านได้ทำนายเหตุการณ์ที่ท่านฝันให้ฟังว่าที่ออกจากบ้านก็คือออกจากเพศคารวาดไปพบป่าชัดแสดงว่ายังไปไม่ถูกทางจริงจึงต้องลำบากหนักที่ท่านได้ขึ้นไปบนขอนไม้ชาติที่ผุพังแล้วแสดงว่าชาตินี้อาจเป็นชาติสุดท้ายของท่านเหมือนต้นชาตินั้นไม่สามารถงอกได้อีก ท่านต้องสแสวงหาต่อไปทุ่งโล่งหมายถึงแนวทางที่ถูกต้องเป็นทางที่ไม่ลำบากนักการได้ขี่ม้าขาวหมายถึงการเดินทางไปสู่ความบริสุทธิ์ได้อย่างรวดเร็วการพบตู้พระไตรปิฎกแต่ไม่ได้เปิดดูนั่นก็คือท่านคงยังไม่ถึงปฏิสัมพิทายานถ้าได้เปิดดูแล้วก็คงแตกฉานกว่านี้เพียงได้ความรู้ถึงสัมปฏิพิทานุศาสตร์ท่านก็สามารถสอนผู้อื่นได้เพียงบางส่วนเท่านั้น หลวงปู่ได้เร่งความเพียรหนักขึ้นได้เปลี่ยนวิธีการคือพอจิตดำเนินถึงขั้นสงบนิ่งแล้วแต่ไม่หยุดอยู่ที่ความสงบนิ่งเหมือนแต่ก่อนยกกายขึ้นพิจารณาเรียกว่ากายคตาสติโดยกำหนดจิตเข้าสู่กายทุกส่วนทั้งยืนเดินนั่งนอนให้จิตจดจ่อที่กายตลอดเวลาพิจารณาให้เป็นอสุภะจนเกิดความเบื่อหน่ายบางครั้ง ขณะเดินจงกรมอยู่ปรากฏเดินลุยอยู่ข้างศพก็มีเหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏขึ้นเป็นเดือนท่านว่าปรากฏปัญญาขึ้นมาบ้างไม่เหมือนทําจิตให้สงบอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมาซึ่งได้แต่ความสุขความอิ่มใจเฉยๆยิ่งกว่านั้นยังเกิดความหวั่นไหวไปตามกิเลสอยู่บ้างแต่การปฏิบัติในคราวหลังนี้มีความรู้สึกหวั่นไหวได้ชะงักลงจึงปลงใจได้ว่าน่าจะถูกทางแล้ว นิมิตครั้งที่2เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในช่วงต่อมาได้เกิดนิมิตในสมาธิติด ต, ต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึงสเดือนวันหนึ่งหลวงปู่เกิดนิมิตในสมาธิว่าคนตายนอนอยู่ห่างจากตัวท่านราวหนึ่งศอกมีสุนักกำลังกัดถึงซากศพดึงไส้ออกมาเคี้ยวกินอยู่ท่านจึงกำหนดจิตพิจารณาดูซากศพทุกส่วนกำหนดขยายส่วนต่างๆขึ้นมาพิจารณาจนเห็นเด่นชัด สามารถกำหนดขยายหรือย่อส่วนได้ตามต้องการเรียกว่าปฏิภาคนิมิตยิ่งพิจารณาไปจิตก็ยิ่งสว่างสวยัยปรากฏดวงแก้วขึ้นมาแล้วทิ้งการกำหนดอสุภะมากำหนดเอาเฉพาะดวงแก้วเป็นอารมณ์วาระต่อมาได้ปรากฏนิมิตเป็นภูเขาอยู่ข้างหน้าท่านกำหนดจิตขึ้นไปดูเห็นมีหชั้นเดินขึ้นไปจนถึงชั้นที่5พบบันไดแก้วแล้วหยุดอยู่ที่นั่น ไปต่อไม่ได้จึงเดินทางกลับท่านได้พบว่าท่านได้สะพายดาบและใส่รองเท้าวิเศษไปด้วยทุกครั้งที่เกิดนิมิตในครั้งต่อไปเมื่อทำสมาธิก็เกิดนิมิตและดำเนินไปเหมือนเดิมเดินไปถึงที่เดิมเห็นกําแพงแก้วแล้วท่านก็เปิดประตูเข้าไปพบพระกำลังนั่งสมาธิอยู่สองสามองค์ท่านเดินต่อไปจนถึงหน้าผาสูงชันเดินต่อไปไม่ได้จึงเดินทางกลับที่เดิม ในครั้งต่ อ, ตอไปการทำสมาธิก็ดำเนินไปในแนวทางเดิมไปพบเห็นสิ่งต่างๆต่อไปเรื่อยๆครั้งหนึ่งท่านได้เดินสวนทางกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปรมาจาร์หรือหลวงปู่จันทริจันโทแห่งวัดบ ร, รมนิวาสกรุงเทพมหานครท่านเจ้าคุณกล่าวเป็นภาษาบาลีว่าอตตะถังคิโกมักโคแล้วก็เดินไปนิมิตในสมาธิเกิดต่อเนื่องกันไปนานถึงสเดือน จนไปถึงที่สุดไม่มีนิมิตอะไรต่อไปอีกแล้วมีแต่ความสุขสงบเหลือที่จะประมาณได้จนท่านเองสำคัญว่าตนของตนถึงความบริสุทธิ์แน่จริงหมดจากกิเลสแล้วหลวงปู่ได้ยกประสบการณ์ในครั้งนั้นมาเป็นตัวอย่างสั่งสอนลูกศิษย์ว่าระวังอย่าได้ไปหลงนิมิตเช่นนี้เพราะมันวิเศษจริงผู้ปฏิบัติทางจิตชอบจะมาติดอยู่เพียงแค่นี้แล้วสาคัญตนเองผิด เราเองก็เป็นมาแล้วและมันก็น่าหลงหลายจริงเพราะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากที่เรียกว่าวิปัสณูปากิเลสก็คือความเป็นเช่นนี้หลังจากที่หลวงปู่รู้ตัวว่าหลงไปตามนิมิตแล้วท่านก็กลับมากำหนดจิตกายคตาจิตได้เข้าฐานปรากฏว่าได้เลิกหนังของตนออกหมดแล้วแวะในกายพิจารณาทบทวนในร่างกายอย่างละเอียดแล้วพักจิตมีใช่พิจารณากายไปโดยไม่หยุดพัก ขณะที่พักก็รู้ว่าปัญญาได้เกิดขึ้นพอควรมีอาการไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวจึงได้เปล่งอุทานว่านี่แหละจึงจัดว่ารวมถูกเพราะไม่ใช่จิตรวมสงบแล้วก็อยู่เฉยที่สงบนั้นต้องสงบแล้วพิจารณาอยู่ในกรรมฐานคืออยู่ในการพิจารณาดูตัวทุกข์คือกายนี้เป็นตัวทุกข์และให้เห็นทุกข์อยู่จึงจะได้ชื่อว่าดําเนินจิตอยู่ในองค์มครรค เราจะต้องตรวจคนให้รู้จริงเห็นจริงอยู่กับกายอยู่กับจิตเท่านั้นจึงจะถูกอริยมรรคปฏิปทามีครั้งหนึ่งปรากฏในนิมิตว่าร่างกายของท่านแตกออกมาเป็นสองภาคท่านกำหนดจิตให้นิ่งจนเกิดความสังเวชสลดใจเห็นทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดจึงถือเอาหลักที่ทำมาเป็นการเริ่มต้นเพราะมั่นใจว่าปฏิบัติถูกต้องเป็นทา ง, ทางดาเนินจิตของท่านต่อไป การปฏิบัติภาวนาในช่วงที่อยู่วัดเรียบแม้จะก้าวหน้าไปโดยลำดับแต่หลวงปู่มั่นพุริทัตโตท่านตระหนักว่ายังไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ท่านจึงได้ออกทุดงเข้าป่าเพียงลำพังองค์เดียวไปทางจังหวัดนครราชสีมาแล้วเข้าดงพญาเย็นสแสวงวิเวกไปเรื่อยจนถึงบริเวณน้ำตกสาวิกาจังหวัดนคร น, นายกซึ่งเป็นป่าทึบเต็มไปด้วยสิงสาราัต์ เป็นสถานที่ที่น่าประหลาดสำหรับพระธุดงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมุ่งหน้าสู่ถ้ำไผ่ขวางชาวบ้านได้ทัดทานไว้เนื่องจากมีพระธุดงไปมรณภาพที่ถ้ำแห่งนั้นรวมถึงหองค์แล้วแต่หลวงปู่ตอบชาวบ้านว่าขอให้อัตมาเป็นองค์ที่เจ็ดก็แล้วกันหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านมีความเด็ดเดี่ยวที่จะปฏิบัติธรรมท่านมุ่งมั่นแบบไม่กลัวตาย หากแต่กลัวกิเลสที่ย่ายีจิตใจให้รอนรุ่มมากกว่าถ้าแห่งนั้นเป็นถ้าที่ไม่ใหญ่โตนักมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมหนาแน่นบรรยากาศน่าสะพรึงกลัวยิ่งตอนพลบค่ำยิ่งวังเวงแต่หลวงปู่ท่านเคยชินกับสภาพเช่นนั้นมากแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจของท่านหวั่นไหวหลังจากจัดแจงสถานที่และเดินดูรอบๆ บ, บริเวณแล้วพอค่าลง ท่านก็เริ่มบำเพ็ญภาวนาโดยนั่งสมาธิตลอดคืนปรากฏว่าสว่างสวัยไปหมดนับเป็นนิมิตที่ดียิ่งรุ่งขึ้นตอนเช้าหลวงปู่ก็ออกบินทบาทที่หมู่บ้านไร่นั้นหลังจากฉันแล้วท่านก็พักกลางวันไปสักหนึ่งชั่วโมงพอลุกขึ้นท่านก็รู้สึกว่าตัวของท่านหนักไปหมดนำซ้ำเกิดท้องร่วงอย่างรุนแรงและเมื่อสังเกตดูอุจจาระพบว่า อาหารที่ฉันเข้าไปไม่ย่อยเลยเข้าวสุกยังเป็นเม็ดอาหารที่ทานเข้าไปยังอยู่ในสภาพเดิมท่านจึงเข้าใจว่าพระองค์ก่อนๆที่มรณภาพไปก็คงเป็นเพราะเหตุนี้เองท่านได้รำพึงกับตัวเองว่าเราก็เห็นจะตายแน่เหมือนพระเหล่านั้นหลวงปูด่ได้หาที่ที่น่าหวัดเสียวที่สุดเห็นว่าริมปากเขวเหมาะที่สุดที่จะนั่งบาเพ็ญเพียรท่านตั้งใจแน่วแน่ ว, ว่าหากจะตาย ก็ขอตายตรงนี้ขอให้ร่างกายหล่นลงไปในเหวนี้จะได้ไม่ต้องเป็นที่วุ่นวายเดือดร้อนแก่ใครๆตั้งแต่บัดนั้นหลวงปู่ได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดหลวงปู่ได้นั่งสมาธิณจุดนั้นติดต่อกันเป็นระยะเวลาถึง3วันสคืนโดยไม่ลืมตาเลยทันเริ่นกำหนดจิตต่อจากที่เคยดําเนินครั้งหลังสุด ได้เกิดปรากฏการแสงสว่างสวัยดุจกลางวันความผ่องใสของจิตสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามต้องการแม้จะกําหนดดูเม็ดทรายก็เห็นอย่างชัดเจนทุกเม็ดแม้จะพิจารณาอย่างที่ผ่านมาก็แจ้งประจักษ์ขึ้นมาในปัจจุบันหมดขณะที่จิตของท่านดําเนินไปอย่างได้ผลก็ปรากฏว่าเห็นเป็นลูกสุนัข ก, กําลังกินนมแม่ท่านก็ได้พิจารณาใคร่ครวญดูว่าทําไมจึงมีนิมิตมาปน ทั้งท้งที่จิตของท่านนั้นเลยชันนิมิตมาแล้วเมื่อกำหนดจิตพิจารณาก็เกิดยานรู้ขึ้นว่าลูกสุนักนั้นคือตัวของเราเองเราเคยเกิดเป็นสุนักอยู่ตรงนี้มานับอัตภาพไม่ถ้วนเวียนเกิดเวียนตายเป็นสุนักหลายชาติเมื่อพิจารณาโดยละเอียดก็ได้ความว่าพบคือความยินดีในอัตภาพของตนสุนักก็ยินดีในอัตภาพของมัน จึงต้องวนเวียนอยู่ในพบของมันตลอดไปเมื่อหลวงปู่ทราบความเป็นไปในอดีตชาติของท่านก็เกิดความสลดจิตเป็นอย่างมากความสว่างสวัยในจิตของท่านยังคงเจิดจ้าอยู่แต่ทำไมยังมีการห่วงหน้าพระวง์หลังไม่สามารถพิจารณาธรรมให้ยิ่งขึ้นไปได้เมื่อตรวจสอบดูก็พบความจริงที่ท่านไม่เคยทราบมาก่อนนั่นก็คือการปรารถนาพระสัมมาสัมโพธิญาณของท่าน ซึ่งมีในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เองแล้วเมื่อไหร่จะได้ถึงคิวเป็นพระพุทธเจ้าตามความปรารถนาหลวงปู่ได้พิจารณาถึงภพชาติในอดีตปรากฏว่าท่านเคยมีตําแหน่งเป็นเสนาบดีเมืองกุรุรัตหรือกรุงเดลฮีในปัจจุบันพระพุทธเจ้าได้ไปแสดงธรรมโปรดชาวกุรุรัตพระองค์ทรงแสดงมหาสติปฐานสูตรหลวงปู่ซึ่งเป็นเสนาบดีในชาตินั้นก็ได้เจริญสติปฐาน แล้วยกจิตขึ้นอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์เถิดได้ความว่าหลวงปู่ได้ปรารโภโพธิญาณมาตั้งแต่บัดนั้นซึ่งเป็นเหตุให้ท่านต้องช ง, งักในการพิจารณาอริยสัจเพื่อทำจิตให้หลุดพ้นต้องสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ไปอีกชั่วกับชั่วกันถ้าไม่ปล่อยวางความปรารถนานั้นหลังจากได้ใค ร, ร่ครวนสิ่งต่างๆแล้วหลวงปู่รู้สึกสลดใจ ที่เคยเกิดเป็นสุนักนับอัตภาพมีท่วนและยังต้องเวียนไายตายเกิดเพื่อสร้างบารมีไปอีกนานแสนนานท่านจึงได้หยุดการปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิยานแล้วตั้งใจเพื่อการบรรลุธรรมในชาติปัจจุบันและในปี2481หลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้นิมิตว่าได้เดินทางไปตามทางซึ่งโล่งเตียนสะอาดมีพระภิกษุสามเณรเดินติดตามเป็นจำนวนมาก ดูเป็นแถวยาวเหยียดและเมื่อเดินไปปรากฏว่าพระภิกษุสา ม, มเณรเหล่านั้นมีทั้งพระเถระผู้ใหญ่และผู้น้อยต่างก็เดินไปคนละทางบ้างแล้วก็แยกซ้ายบ้างก็แยกขวาบ้างก็เดินลำหน้าเดินอย่างไม่เกรงใจดูพลุกพล่านไปหมดหลวงปู่ท่านได้อธิบายนิมิตของท่านว่าในการต่อไปข้างหน้าจะมีผู้นิยมทากรรมฐานภาวนากันมากขึ้น กับจะมีการตั้งตนเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานและภาวนากันมากขึ้นจะมีทั้งมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพคือต่างก็จะสอนไปตามความเข้าใจของตนจนถึงการนำเอาการตั้งตนเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานสอนภาวนามาบังหน้าแล้วก็ดำเนินการไม่บริสุทธิ์ด้วยประการต่างๆผลที่เกิดขึ้นจึงไม่ดีเท่าที่ควรแต่บางพวกก็ดีเพราะยังเดินตามเราอยู่ นี่มีได้หมายความว่าเราเป็นผู้วิเศษนะแต่การดําเนินการของเรานั้นได้ทำไปโดยความบริสุทธิ์ใจมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์โดยปฏิปธานี้ก็ทำให้ได้ผลทั้งตนเองและสิทธิอนุสิ์ตลอดมาการที่ต่างคนต่างตั้งตนเป็นอาจารย์นั้นย่อมทำให้เสียผลเพราะทำให้เกิดความลังเลแก่ผู้ที่จะเข้ามาเรียนกรรมฐานภาวนาว่าจะถือเอาอาจารย์ไหนจึงจะถูกหลวงปู่มั่นพุริทัตโต ท่านเป็นอาจารย์สอนธรรมทางวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงและมีผู้เคารพนับถือมากมีศิทยานุสิท์ที่เป็นพระเถระเป็นที่เคารพศรัทธาของสมณะประชาชนมากมายอาทิหลวงปู่ฟันอาจารโรหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่ชอบฐานะสโมหลวงปู่หลุยจันทสาโรเป็นต้นหลวงปู่มั่นได้รับสมญานามจากบรรดาลูกศิษย์ว่า เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐานเป็นผู้มีประวัติงดงามเป็นฐานที่พึ่งอันมั่นคงตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเหล่าสิทธิยานุสิตทั้งหลายตลอดเวลาในเพศบรันรพชิตได้ปฏิบัติตนจนกระทั่งเป็นแบบอย่างที่ดีอันหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยากยิ่งหลวงปู่มั่นผู้ริทัตตะมหาเถระละสังขานเมื่อวันที่11พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช2492รวมอายุ79ปี5 6พ0รษานวัดป่าสุทธาวาสซึ่งต่อมาอัฐิของท่านได้แปลสภาพกลายเป็นพระาธาตุในหลายที่ได้มีการแจกตามจังหวัดต่างๆที่ได้ส่งตัวแทนมารับวาระนิพพานนวัดป่าสุทธาวาสหลังจากที่ท่านพักอาพาธที่วัดป่าบ้านกลางนนท์ผู้11วันแล้วคณะสิทิยานุสิ์ ได้อาราธนาองค์หลวงปู่มั่นให้นอนในเปยพยาบาลแล้วนําท่านขึ้นรถเพื่อมาพักที่วัดป่าสุทาวาสออกเดินทางตั้งแต่เช้าถึงวัดป่าสุทาวาสประมาณ12บสนาฬิกาจากบันทึกของหลวงตาทองคําจารุวันโนผู้อุปถากองค์หลวงปู่มั่นในช่วงอาภาตได้บันทึกเหตุการณ์ในช่วงที่องค์ท่านมรณภาพไว้ในหนังสือบันทึกวันวานไว้ดังนี้ จากพันนานิคมถึงวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครเกือบ12นาฬิกาเพราะทางหินลุกรังกลัวจะกระเทือนมากท่านก็หลับมาตลอดนำท่านขึ้นกุฏิสิทธิผู้ใกล้ชิดก็มีผู้เล่าท่านวันท่านลาเป็นผู้จัดที่นอนให้ท่านได้ผินศีรษะไปทางทิศใต้ปกติเวลานอนท่านจะผินศีรษะไปทางทิศตะวันออกด้วยความภาวะภวัง จึงพากันลืมคิดที่จะเปลี่ยนทิศทางศีรษะของท่านเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาเศษท่านรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจากการหลับแล้วพูดออกเสียงได้แค่อือๆแล้วก็โบกมือเป็นสัญญาณแต่ไม่มีใครทราบว่าท่านประสงค์สิ่งใดมีสัมมเนรรูปหนึ่งอยู่ที่นั่นเห็นท่าอาการไม่ดีจึงให้สัมมาเนรอีกรูปไปนิมนต์พระเถระทุกรูปมีเจ้าคุณจูมพระอาจารย์เทศ พระอาจารย์ฟันเป็นต้นมากันเต็มกุฏิเท่าที่สังเกตดูท่านใกล้จะละสังขารแล้วแต่อยากจะผินศีรษะไปทางที่ตะวันออกท่านคลิกตัวไปได้เล็กน้อยท่านล่าหรือพระอาจารย์ล่าเข็มปัดโตคงเข้าใจเลยเอาหมอนค่อยๆผลักท่านไปผู้เล่าประคองหมอนที่ท่านหนุนแต่ท่านรู้สึกเหนื่อยมากจะเป็นการรบกวนท่านก็เลยหยุด ท่านก็เห็นจะหมดเรียวแรงขยับต่อไปไม่ได้แล้วก็สงบนิ่งยังมีลมหายใจอยู่แต่ต้องเงียหูฟังท่านวันได้คลาชีพจรที่เท้าชีพจรของท่านเต้นเร็วชนิดรัวเลยรัวจนสุดขีดแล้วก็ดับไปเฉยๆด้วยอาการอันสงบธรรมชาติของจิตเป็นของผ่องใส ย, ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่อาศัยของปลอมกล่าวคือ อุปกรลท์ที่สัญจรเข้ามาปกคลุมจึงทําให้หมดรัศมีดุดพระอาทิตย์เมื่อเมฆหมดบงังดุดพระอาทิตย์เมื่อเมฆบดบงังอย่าพึงเข้าใจว่าพระอาทิตย์เข้าไปหาเมฆเมฆไหลมาบดบังพระอาทิตย์ต่างหากฉะนั้นผู้บําเพ็ญเพียรทั้งหลายเมื่อรู้โดยปริยายนี้แล้วพึงกําจัดของปลอมด้วยการพิจารณาโดยแยกคาย หลวงปู่มัน่นผู้ริทัตโต